ถึงตัวเองจะรู้ทำเห็นทำหมดจดจากกิเลสแล้วแต่ก็ต้องรักษาพัาสนา เ, า, เาเอาไว้เพื่อรักษาไว้เพื่อกุลบุตรจุดท้ายภายหลังเขาจะได้ดำเนินถูกต้องไม่ใช่ว่าเราได้มาแล้วก็เราก็ทำตามอำเภอใจทำมาตามมัาใจใต่อไปภายภาคหน้าผู้ที่มีกิเลสเขาก็ยึดได้ง่าย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 ท่านได้สําเร็จแล้วทั้งว่าสุกหนอสุขหนอหนอคล้ายๆว่าไม่มีอะไรที่จะมาทําให้เครื่องพันธนาการทางด้านจิตใจของท่านท่านไปที่ไหนมิเต่บน่นหรือว่าลําพึงโอ้การบวชในสุขหนอไม่มีอะไรที่จะมาผูกพันเราเหมือนกับคนที่หายจากโรคอไม่มีโรคเหมือนกับคนที่มีนี่ศีลพลุงพลัง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 จิตเตะใจของเรากริ้งเหมือนลูกฟุตบอลแต่บัด น, นี้เราเป็นไทยกิเลตเตะใจของเราไม่ได้หลอกใจของเราเป็นไทยแล้วไงเพราะนั้นท่านจึงท่านไปนัสถานที่ใดท่านจึงว่าสุกหน่อสุกหนอ่นอไม่มีอะไรที่จะมาครอบงําความบริสุทธิ์ของท่านคือใจของท่านคือธรรมของท่านได้ฮงจนพระสงฆ์ทั้งหลายก็สงสยัยว่าเอ๊ะท่านมหากบินเนี่ยท่านคงจะลำพึงสมัยเมื่อท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีอัคระมเหสีมีฉนมนาริการเที่ยวสนุกสนานเมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านมาบวชแล้วก็ท่านยังลาพึงอยู่สุขหนอสุขนอนท่านคงจะลําลึกถึงอดีต ท, ท, ที่ผ่านมามาท่านจึงได้เพ้เพ อ, ออกมาอย่างนี้พระสงฆ์ที่มีกิเลสก็ไปกราบทูลพระพุทธเจา้าพอได้ยินในเต็มหูพระพุทธเจ้าก็เรียกมหากบิน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 เหมือนกับคนที่มีหนี้แล้วก็ปลดหนี้ออกหมดแล้วเหมือนกับเราเป็นทาตแต่ออกมาใช้หนี้เป็นทาตออกมาจากเป็นธาตแล้วเป็นไทยแล้วเป็นอิสระข้าพระองค์ยิงว่ามีความสุขจริงๆในการบวชนระพุทธองค์่นี่แหละมหากบินท่านเป็นพระหรหันแล้วไม่ควรจะใส่โทษท่านที่ท่านพูดนกะ็คือท่านมันมีมความสุข บรมสุขในใจของท่านจริงๆฮนะจากนั้นท่านก็วันหนึ่งวันอุโบสถอย่างนี้แหละท่านก็เข้านิโรธจมาบัตคือเข้านิโรธจมาบัตพระหันเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปโตพระหันสามจําพวกเนะแต่สุขวิปัจโุสุขวิปัจโกเนี่ยเข้าไม่ได้พระหันมีอยู่สี่จำพวกนะสุขวิ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 แต่พระรหัสสามสามองค์หลังเนี่ยท่านใดเตวิชโชศระพินโยปฏิสัมพิทัพปโตเนสามองค์ในเข้ามีโรตจมาบัติเข้าที่โรตจมาบัตนั่นคืออะไรคือเข้าสวยวิมุตติสุคือเข้าสู่นิพพานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหาว่าเมื่อตายไปแล้วนะวะอันุปาที่เสส น, นิพพานคือเข้าสู่นิพพานเมื่อ ธาตุขันดับไปแล้วตายไปแล้วอันนี้ว่าอนุปาที่เสสนิพพานอุปาที่เสดชนิพพานเข้าสู่นิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่พระหันสามจ้าพวกหนึ่งเข้าสเสวยวิพานนิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่ท่านว่าเข้านิโรธสมาบัตนะินเมื่อขั้นท่านจะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยท่านจะมองดูรอบด้านนะท่านจะไปนั่งที่ไหนที่โคนต้นไม้หรือ ว, ว่าที่ปลอดภัยที่ใดที่หนึ่ง ท่านจะตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะนั่งอยู่จุดนี้จนถึงวันที่เท่านั้นเราจริงจะออกจากนิโรธสมาบัติจากนั้นท่านก็นั่งประสานนั่งสมาธินิ่งแปลว่าใจของท่านออกจากร่างพูดง่ายๆแต่เหมือนกับท่านเหมือนกับโซเฟอร์เนี่ยติดเครื่องรถออกติดเครื่องรถไว้แล้วนะสตาร์ทเครื่องรถไวนะ้ แต่ว่าโซเฟอร์เดินออกไปเดินออกไปจากรถไปทำธุระไปพักผ่อนไปทำอะไรก็สุดแท้แต่โซเฟอร์อันนี้คือพระหันเข้าสู่ น, นิพพานเข้าสู่วิวิมุตติสุขแต่ว่าร่างกายเนี่ยยังอยู่ยังติดเครื่องอยู่รถน่ติดเครื่องอึงฉึงงฉึงฉ ง, งธรรมด า, ารถติดเครื่องว่าต้องกินน้ำมัน แหม่ผมยังติดเครื่องอยังละหายใจอยู่แต่ว่าในขณะที่พระอรหันต์เข้าสู่นิโรธจะมาบัตดนั้นท่านตั้งกิจธิฐานคอบท่านปีิอภินิหารทั้งหมดถึงจะใครจะมาทุกมาตีมาไฟเผามาฆ่ามาอะไรพระอรหันต์จะไม่ตายเพราะท่านมีอิทธิฤทธิคอบของคุ้มครองอยู่อย่างพระสารีบุตร ท่านเข้าในโรตสมาบัตอยู่ในกลางแก้งอยู่ในอยู่ในลานหินออลลาวะกระยักเหอะมาทางอากาศมาเห็นพระสารีบุตรนั่งอยู่ในลานหินคิดขนองขึ้นมาวะ่ะแต่พดของเราเนี่ยค้อนของเราค้อนยักษ์ของเรา เ, เราตีช้างยุบลงไปในแผ่นดินตีภูเขาก็ยุบตีอะไรต้นไม้อะไรแปลว่าไม่มีอะไรที่จะ ทานคอ้อนของตะบองของเราได้แต่เรายังไม่เคยตีหัวสมณะไงมันคิดอย่างหาทางบาปใด่มนุษย์ของเราไอ้วิญญาณนึกยักเราไม่เคยตีหัวสมณะมันถึง ท, ทนต่อตะบองของเราได้ไหมพอผลให้สุดก็ลงมาจากอากาศเข้าไปก็ตีหัวภาษาลิบูรเลยตีทั้งตีให้ตีลงมาเกิด เราตีตีหลักอย่างนั้นอ่ะตีตอ่อตีหลักให้มันยุบลงตีปังเลยบอกว่าภาษาลิบุตรหินแผ่นดินเนี่ยยุบลงไปอถึงถึงเอวอย่างั้นอ่ะถึงเอวตียุบลงไปถึงเอวกําลังถอยล่อาออกมาอีกกําลังจะเข้าไปตีอีกตีสองบัดบัดสองเนละพอตีจิตตีครั้งที่สองท่านี่เ น, นี่ยนะแผ่นดินแยกเลย แแพงดินแยบแยกออกมายักษ์ตัว น, นั้นหนีกรรมไม่พ้นอีกเหมือนกันบาปกรรมคือการกระทำตัวเองยากตัว น, นั้นก็หงายหลังลงอเวจีมหานรกในเดี่ยวนั้นเลยงั้นเนี่ยแผ่นดินสุปอ่าวล ะ, วะกายักษ์ลงไปสู่อเวจีมหานรกแต่ภาษาเลบุตรไม่มีอะไรที่จะทําให้ละคลาย เครื่องในผิวแม้แต่หน่อยเดียวอ่ะแต่นี่ก็ยักษ์่านนั้นก็นเลยลงอาวีจีไปในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่แผ่นดินสูกมีอยู่ห้าพระเทวทัตหนึ่งสุปปพุท ธ, ธสุปพุทธหนึ่งจินจามนาวิกหนึ่งแล้วก็มานบที่ข่มคืนนางอุบลละวันนาหนึ่งแล้วก็เนี่ยอลาวกายักษ์เนี่แหละที่แผ่นดินสูก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 แต่พลในสุดยักษ์ตัวนั้นก็ตกลงเอเวจีมหานรกยังไม่ขึ้นกระทั่งทุกวันนี่นี่แหละคือพระที่เข้านิโรธสมาบัติแต่องค์ไหนเข้านิโรธสมาบัติแล้ววันเนี้ยออกจากนิโรธสมาบัติออกมามาปโปรดใครมาบินทบาทกับใครมาปโปรดใครคนนั้นเหมือนกับบุญกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทาบุญกับพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติ นี่แหละอันนี้คือขณะที่ท่านนิโรธธรรมบัติคือท่านเข้าสู่นิพพานเออเข้าสู่นิพพานชั่วข้าวเจ็ดวันหรือวันหนึ่งหรือก็สุดแท้แต่ท่านจะเข้าเอีเข้าเวลาไหนออกเวลาไหนท่านตั้งใิในทิศฐานของท่านได้ทั้งนั้นอันนี้ก็คือพระอรหันต์แต่นี้ท่ามาพูดถึงพระมาหากบินเดนในวันอุโบสถอย่างนี้นะ่ะท่านก็บอกเออเรา เป็นพระหรหันแล้วกายกรรมพจีกรรมของเราในการที่จะล่วงละเมิดทางศีลเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีเจตนาแม้แต่น้อยหนึ่งที่เราจะล่วงละเมิดทางศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพราะฉะนั้นเราไม่ไปลงอโบสวดละวันเลยเราจะเข้าสวยวิมุติสุขเราจะเข้าสู่นิพพานอันนี้ว่าอุปาทิเสสนิพพานเข้าสู่นิพพานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างที่ว่า เ, เข้านิโรธสมาบัติ แต่ท่านท่านก็นั่งเข้าสมเข้าสมาบัติพระพุทธองค์รู้ด้วยญาณทัศนะเหมือนกันอยู่ด้วยฌานของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเออมหากระบินธรรมอย่างนี้ไม่ถูกนะถ้าว่ามหากระบินธรรมอย่างนี้ต่อไปภายภาคหน้าท่าว่าพระไม่อยากจะลงโบสุดก็ไม่อยากไม่ลงเข้าสมาที่เดินโยกรมจะว่าเนี่ยในการเดินยโงกรมการภาวนาของเราเนี่ย ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปลงอุโบสถเป็นนั่งฟังพระปฏิโมกข์ถ้าพระทำอย่างนี้ต่อไปมากๆแล้วอุโบสถมันจะจะมมีใครลงอุโบสถไม่มีไฟฟังพระปฏิโมกข์ศาสนาของตถาคตจะอยู่ได้อย่างไรถ้าพระสงฆ์ขนาดพระอราหันต์ได้ยังไม่ครบศิท ธ, ธิฆาทวินยัยพระพุทธองค์รู้เท่านั้นละ่ะก็เดินไปเหาะไปด้วยฤทธ ไปก็ไปเหยียบไปเหยียบฝ่าเท้าลงที่นั่นน่ะใกล้ๆที่พักของพระมาหากระดินห่อรอยเหยียบรอยเท้าไว้พอมาหากระดินออกจากนิโรธสมาบัติออกจากสมาธิออกจากฌานสมาบัตดแล้วเดินไปไปเห็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าท่านก็โอ้เหตุละมีเหตุละเกิดเหตุแล้วท่านรู้เลยว่าเกิดเหตุแล้วเนี่ย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 ให้เข า, าบอกแนวทางเขาตัวเองก็เป็นผู้รักษาทางถนนหนทางให้เขาเพราะพุทธศาสนาก็จะดำรงทรงไปนานเท่านานอันนี้ก็คือพวกเราต้องได้คิดไวเพราะนั้นเรื่องหลักธรรมวินัยที่ผมได้กล่าวมาถึงจะอําบัดเล็กน้อยก็ดีจะเรื่องการอยู่การชั้นการหลับการนอนการอะไรก็ดีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราต้อง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 เะหตไรเพราะมันทําผิดวินัยเหมือนกับคนไปต้องโทษมาแหละอคนต้องโทษมาไปทําความช่วยเสียหายมาจะให้ใจของเขาเป็นปกติเป็นไปไม่ได้พอเห็นตํารวจแล้วเห็นไปขึ้นพิพากษาอายการท่านขึ้นไปนั่นคืรู้สึกว่าประมาเลอใจก็ตบๆต่อมๆตบๆตบๆแบๆละเพราะเหตุไรเพราะตัวเองไปทําผิดมาแต่ถ้าว่าคนไม่ทําผิดไม่เคยทําผิดเลยนย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 ตามที่ท่านได้แนะนาสั่งสอนผมว่า น, นี่ก็คือหนทางที่จะไปสู่ความสุขความเจริญทางด้านจิตใจสรุปแล้วก็คือมรรคแปดสิลสมาธิปัญญาคือมรรคสมาธิสติสมาสังคโปนนี่ก็คือปัญญากรมมันตัวอาชีโบนีเป็นสินสมาสติสมาสมาธิก็คือสมาธิ แต่ตามจริงต้องสมาธิสินสมาธิปัญญาฮะแต่ในมักแฝท่านก็นไล่ไปเป็นว่าปัญญาซะก่อนปัญญาสินสมาธินีน่แหละอันนี้ก็คือท่านเรียงตามลำดับลำดับลดับนั้นนะถ้าตอนนี้ไปสวดทายปฏิโมกลงไปแล้วขึ้นมาธรวมดร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะ